ใจรักในขนาดนั้นว่าอ้การเคียวอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่มีทั้งข้าวโพดไม่มีทั้งทุกข์เคียวต้องลึกลงไป <c oughs> ล, ลึกลึกลงใ ห, ให้จบแล้วก็ไปเห็นคุณโทษของความชอบจนเกิดเป็นสังเวทจิตขึ้นมาในเต่ละตัวในแต่ละตัวเรา ต้องขยับไปถึงไฟ ร, รัพมามันก็จะคลายมันจะคลายทันทีอิ่มทันที่ยมกล่าวในมรสการหลวงพ่อและท่านอาจารย์คะเออวันวันวันนี้รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ออกไปข้างนอกบ่อยคืออยู่โทษในนะคะป<ม>กติแบบว่านั่งท่าหนึ่งท่าหนึ่งประมาณตั้งสิบสิบห้นาทีแต่วันนี้มีอีกมีท่าท่าแรกนะ ก็คือแบบว่าอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าให้หาความพอดีใช่ไหมก็เลยนั่งนั่งท่าที่ว่ามันนั่งได้นานนะคะพอนั่งได้นานแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยปวดไม่ค่อยเมื่อยอะไรมันก็เลยนั่งได้นานนะพอนานๆไปมันเหมือนกับมันจะแช่นะก็ไม่ไม่ทราบเพราะว่าเพราะเพราะเพิ่งเริ่มทำนะคะแต่มันก็ดีขึ้นนะคือว่านั่งได้นานขึ้นนะอันอันนี้ที่ที่ทราบนะแล้วก็แบบไม่ไม่ค่อยคิดไปที่อื่นนะ ลงวิวมาก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่มันมันคิดแต่เรื่องเดียว่าคิดว่าเนี่ยจะนั่งภาวนาเนี่ยยกเืยแล้วก็แล้วดูเอ้ปวดเมื่อยอะไรเนี่ยคือปกติแล้วมันคิดนะเดี๋ยวก็ไปนู่นได้เดี๋ยวไปนู่นแต่ก็กลับมาใหม่อ่ะตอนนี้กําลังนั่งภาวนาแต่วันนี้ไม่ได้คิดข้างนอกมันมันรู้สึกว่าถ้านั่งนานๆเหมือนกับมันมันจะดีนะเนี่ยถ้าทําภาวนาอย่างเงี้ยก็คือจิตไม่วอกแวกนะเพราะว่าปกติเป็นคนคิดชอบคิดนะคิดนู่นคิดนี่ไปนู่นไปนี่อะไรนะเดี๋ลุ๊กติดี ค่ะค่ะก็ก็มีก็มีเวทนานะคะค่ะคือมันมันทำได้นานขึ้นนะคือไม่ค่อยเบื่อนะทําแต่ว่ามีอยู่อันหนึ่งก็คือแบบว่าบางทีก็จะคิดก็คือคือจะให้อยู่กับไอ้เรื่องเดียวนะคะก็เลยมันก็เลยมึนนะไม่ไม่ท่าจะออกยังไงคือบางทีไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็แบบว่าไงเราจะต้องอยู่ตรงนี้นะไม่ต้องไปนู่นนะอย่างเงี้ยแล้วมันจะจะมึนเหมือนก็มันนั่งคิดอะเป็นอย่างนั้นนะ มันมันเหมือนกับใช้ความคิดก็คือว่าเราอยากจะให้ว่าภาวนาอยู่ตรงนี้นะเป็นอย่างงั้นนะคะมันก็เลยแบบว่ามันยังคือโยมยังไม่ได้นะก็เลยไม่ไม่ทราบจะทำยังไงคือมันเหมือนกับคิดมากมันมันมึนมันมันมึนใกล้ใช้หัวมากเลยค่ะก็ก็มีก็มีเท่าเนี้ค่ะที่ได้วันนี้ค่ะ ก็ก็มีง่วงนะเงึกไปทีนึงนะแต่ว่าคือสติคือรู้นะว่าว่าสบงบนะแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เอาต่อได้อีกเนะ่ยเอาาใช้เนะชคสอชเคดีใช่ค่ะใช่ค่ะ แ, แต่ตอนนั้นลืมตัวไม่ไม่ไม่ใช่มีอยู่ท่าหนึ่งแบบเออท่าท่าท่าท่านั่งอย่างเงี้ยพอทีนี้โยมแบบว่าไงแบบคล้ายๆว่า ง, ง่วงนอนมากนะโยมใช้วิธีกรรมคล้ายๆว่า เพราเคยเคยไปดูย e ูทูบของหลวงพ่อจำเนียนะท่านบอกว่าถ้าทําอย่างเงี้ยแล้วจะทําให้มีพลังท่านบอกว่าถ้าทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะท่านมีใกล้ๆอะไรเขาเรียกพลัง ล, ล, ล, ลงปานหร้อไงมีไม่กี่ท่าท่านใช้อยู่ท่าทำแบบไหนมั้งทำกรรมมือนะแล้วก็แบบว่าบอกว่าให้พลังทั้งหมดมาอยู่ทางขวาม e ือเนี่ยแล้วก็ทําอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าทำางซ้ายพลังทั้งหมดมาอยู่ทางซ <le> ้<ๆ>ายม <le> ือ<ๆ>เน <le> ี<ๆ>่ย ต้องต้องไปเปิดดูแต่ดีแต่ดีนะแต่ถ้าดูแล้วค่ะรู้สึกมันจะแบบมีพลังมันก็คือมันจะมันจะแบบคล้ายๆว่าเราจะมาเกรงเนี่ยแล้วก็ไอ้ง่วงมันก็หายบางที่บอกว่าบางทีอาจจะแรงกว่า s อสเอสเคทมารปยุกยังไงก็ได้ขอให้นหวันเปมันคลายเป็นใช้ได้เพราะนั้นรูปแบบไ้ก็รูปแบบอันเป็นเป็นรูปแบบน้แต่ขณะนั้นเราเลือกวิธีไหนก็ตาม ที่เกิดการเคลื่อนไหวชัดๆแล้วก็มีวามันหายตรงนั้นใช้ได้เลยน้วยวิเคร า, <c oughs> คาระห์กรรมเอาไป้แต่ว่าให้แค่เฉพาะจิตนั้นเท่านั้นนะถ้า <c oughs> สมมติว่ามาแก้แล้วความมุ่มหาก็คือจบแล้วก็ทํำปกติต่อไปหรือบางทีฟุ้งซ่านก็ทำไงก็ได้ที่มันจะให้เกิดการแม้จะเปลี่ยนยบนุนะขอให้เปลี่ยนแต่ปัญหามันคือเราขาดสติแล้วนึกไม่เถึง <c oughs> ที่จะนา ม, มาทานนันนะท่นบอกว่าถ้าสติมาไม่มาปัญญาก็ไม่เกิด เพราะตัวพ่อวิทยาศาสตร์ตัวสติเนี่ยเป็นตัวที่เป็นขนเอาปัญญาเอาผมด้านพ่การมาแต่ขอให้ได้สิเนียถ้าถ้าดีวอร์อะไรตหนึงมาก็ได้สติปั๊บมันปัญญามันเกิดเกิดพอปัญญาเกิดแล้วเดี๋ยวจะหาเทคนิคไหนก็ได้มาแก้กบนั้นนี่ตัวหนึ่งที่ที่เราใช้บ่อยแล้วมือนี่ทํางไงคะบางทีค่ะบอกว่าทท่าบางทีทำท่าแล้วเพ่งค่ะแล้วเพ่งไปเพไปอ่าเพ่งไปก็ทำให้จิตนี่มันมันไม่ไม่โ เพราะแทนที่มันจะไปสังเกตต่วอาการหนักเบาที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมสังเตงกตการหนักปบาการเคลื่อนไหวแล้วน้องแข็งขึ้นตึงในร่างกาเราก็จะดูตามอาการนั้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่เพ่ง ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่จ้องในอาการนั้นการที่เราไปตั้งแต่เพ่งจ้องในขณะนัน้นคือความอยากอาจเป็นเป็นความอยากเป็อยากจะให้มันหนีอยากให้มันไม่ให้มันคิดอะไรเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการเพ่งเกร็งขึ้นมาเพราะฉะนั้น ในลักษณะที่เราบอกว่าให้วิจัยในธรรมะหรือธรรวิจัยในไหาที่เกิดปราขนาดนี้อาการเป็นยังไงขนาดหน้าอการก็หนักเบาใช่ไหมหนักทำให้เราเกิดขาดความอดีมมันันมือนหัว แค่ๆมันมันเมินทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเมินอย่างเงี้ยคือแบบว่าคล้ายๆว่าทําอะไรอยู่นานๆเนี่ยมันจะเครียดเงี้ยมันจะเกรงเราลุกออกได้เลยไหมคะเราใช้ีไแล้วรู้สึกไม่ต้องถึงกบุญอ่ะแค่รู้สึกมันตึงๆแค่นั้นก็เปลี่ยนได้เพื่อเป็รู้สึกเปลี่ยนนั่นจะสติมาไม่ทันมันก็เลยไปอยูาการนั้นนั่ตรงนี้ให้แยกก็ว่าสติคือไม่ใช่ว่าทําทําเลยไม่ใช่ว่ามันจะได้สตินะบางทีมันเพลินเพลินในฝ่ายที่ตั้งใจไป เพราะเนมีสเินเินใน่ายที่เป็นความตั้งใจเป็นไปก็เพินสองเพินที่ความที่ไม่ตั้งใจเพลินไปทางคิดเพินไปทางสบายทั้นั้นท่านบอกให้ละสองตัวลกความเลินในฝ่ายสบายละความเพลินในฝ่ายสบาแต่ให้มาปรับเพราะนตนเช้า้นนะว่าไม่ีปรับควจะทำยังไงต้องต้องะยเยแต่นมาักให้สติมันมันไม่ออกว่าจะปรับยังไงมันก็จะไปดีุความเพินท้สา อาจารย์นะเวลายกมือนะจะให้คิดยังไงจะให้มองไปที่ไหนให้มองให้รู้สึกตัวค่ะให้รู้สึกตัวคือจะอย่างไรก็ได้ในขณะยกมืออย่างเงี้ยพอมีรังแขนขึ้นแร่ากายมีมันก็มีลมไหวๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมันก็เมื่อยมัก็ไม่อยุมือยแต่ไม่รู้เข้าไปใกตัวนขาเสากรชาญนะแต่ตัวที่จะเพิ่นในที่มันก็กลายเป็นเพียงสมาธิชนิดหนึ่ง สมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสมณญย์ก็เป็นวิชาสมาธิแต่ถ้าเราสมาธิที่เป็นสมาสมาธิก็คือตัวสมณญยะที่รู้เข้าไปตั้งแต่หัวจนเท้ารู้ไม่ใช่รู้เฉยๆนะรู้ว่าขณะนี้มันเหตุมันเกิดหนักหรือเบาสบายหรือไม่สบายถ้ามันสบายประกอบถ้าตึงไปประกอบอถ้าย่อนเกินไปปรับให้พอดีไอกันที่เราทำเนี่ยต้องการที่จะปรับให้เกิดความพอดี แล้วมันจะมีปัญหามันจะไม่ตึงมันจะไม่หย่อดแต่เนื่องจากว่าสติมันมาไม่ทันเพราะมันอยู่ในความเพลินสบายไม่สบายเสียมันก็เลยู่ดูจีนีเขาจะเรียกออกมแล้วแล้วทำยังไงคะทำแล้วก็คือต้องปรบหมถ้าเราบ่อยๆเ่ยอ่าีใช้ว่าภาวนาคือการปรบไม่แต่ แต่คือวันนี้คือได้อย่างเดียวคือว่าคือมีสติอยู่เนี้ยคือไม่ได้ไปไหนไม่วกแวกแม่ก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นอย่างเป็นอยนี้สมาธิชนิดเแต่เป็นวิชาสมาธิเหมือนภาวนาบอกว่าเหมือนกันั่งหลับตาแล้วก็มีจุดเดียวอย่างเงี้ยจะเป็นดิ่งมันเป็นมันดิ่งแล้วมันเป็นวิชาสมาธิแต่คนส่วนใหญ่ว่าเป็นสมาธิแต่จริงเป็นสมาธิมันก็เป็นวิชามสมาธิพ่อมีผล่ให้ตึงให้ดึให้ดิ่งให้ ดับไปมันไม่รู้ตัวทุกครองเพราะนั้นดูสติที่จะไปสูส่สมาธิต้องผ่านสมัมปชัญญะแต่พอไม่มีสมัมปชัญญะมันเปลี่ยนไปเป็นวิจฉาสมาธิแล้วเราจะให้ทําไงคะก็ต้องต้องขอยันปรับ<ะ>ขยันปรับอย่า ง, ง, งเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเชวนั่นแลมันรู้สึกตึงใช่ไหมก็ขยันปรับอนนี้กอ่าแช่อย่นั้นปรับทีนี้แล้พอสังเกตต่อไปมาทา่าดีรู้สึกหนักตรงไหนต่อ เท้าใช่ไหมเขา่ขาก็ทำไปทีนี้มันกําลังไต่ระดับขึ้นทีนี้นิดียวนิห้ความหนักตรงนี้นะเัาสังเกตไปเรื่อยๆสังขึไง้ไปดูไปแล้วในขณะที่เรายกเงนี้ยการเค้นไหวมีอยู่การดึงรูดี่มีอยู่การหายใจมีอยู่เย็นแอ้วตึงในร่างกายสังเกตไปเรื่อยๆแต่ตัวที่มันจะคอยเตือนเราว่าตัวนี้หนักขึ้นเรื่อยๆนะที่ปลายเทา้าใช่ไหมที่เขา่าแล้วก็ขยับนี้ แล้วกระทงเป็นคือที่พิการเคลื่อนไหวถ้าละนิ่งๆเนี่ยมันผีลักษณะเราก็ต้องใช้ทีการเคลื่อนไหวเข้ามาแก้นิ่งๆเนี่ยทำให้จีนของเรามันไปฝาไม่ใอาจารย์ถ้าอย่างนั้นยกมือนี้วัตถุประสงค์คืออะไรวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สติเพื่ออาการแบบนี้ได้ไวขึ้นอาการที่ตัวคือมีสองอย่างใช่ไหมคะหนึ่งมีสติคือก็คือให้เนี่ย ให้มีอยู่จุดหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไปเพ่งที่สสัมประชันยาเพ่งดูอาการดูอาการตัวนเกขึ้นตั้อยู่นะได้สลายสัมประชาสัมวชานุสถิมาไงท่านบอกวออาตารีที่ขยายเนี้ยต้องปกอบด้วยสัมประชานุและสติมาก็คือสัมปรชานคือสํารวจตรวจสอบแล้วก็ปรับแก้ไปเรื่อยๆสติมาแต่นี่มสติไม่มาสัมประชานุไม่เกิดมันก็เลยเป็นวิชาสมุทิตาเออตอนนี้ เออเานเยอะนะแต่ว<โ>่าคนส่วนใหญ่เต่มันมันเงียบไงมันเงียบมันก็ไม่ไปไหนมันก็ดูแล้วมันก็เหมือนจะมีความสุขนะใช่มันเหมือนกับว่าเป็นเป็นขั้นเริ่มต้นเริ่มรละเมาี่ี่อกห้งาี่ใช่านี่ทั้งฝ่ายที่เป็นเคื่อในฝชอบและเคื่อในฝ่ายที่ชอบก็เป็นเป็นราไม่ัอาจารย์ว่าโอเคี้แค่ไหนหนอค่ะอ้าวริสั น้องพหายไปไม่รู้แม่ตมไยสรุปยจง่ายสติคืออะไรก็อาจะรู้สตัวก็สายเ้สายเตัวนั้นะลิสติกาจะรู้สตัวก็สาสยต้องตามให้ทัน กจะรู S <S ้ตัวสารนึยว่าถึงวลานั้นก็ไ่อก็จะรู้สึกตัวก็ส้ต้องตอตัวสมาธิต้องเข้าใจตัวสมาธิคือตัวไหนยกตัวอย่างเช่นคนสมาธิดีอ่านหนังสืออะไรจะมารบกวนก็ไม่ไม่จิตไม่รอกแวกนี่คือสมาธิ ย่นักปรเรียนอะไรเงี้ยสมาธิก็ดีในสนามรบก็ถึงเวลาหลับก็หลับ mm hmm. พวกสมาธิดีนะครับพวกปิญญาเอกพวกด็อกเตอร์เวลาก็ดูทีวีเราไปเรียกไม่ได้ยินเเขาจะไม่ไม่ได้ยินเราเรียกหรืว่าไม่ไม่ได้สนใจนะั่นคือสมาธิแต่สตินี่มันเป็นตัวที่ชาญฉลาด เหมือนเรานั่งเรือไปในตัวนั่งเรือนี่แหละตัวสมาธิพอคลื่นมาอย่างแรงในการปรับตัวเพื่อแก้ไขสถานการณ์ตัวนั้นน่ะนี้พ อ, อจะรู้สึกทุกข์ขอกราขอขอบนมัส ก, การพระคุณเจ้า วันนี้โชคดีได้เจอพระอาจารย์ได้เจอพระอาจารย์โชคดีแล้วเจ้าค่ะก็คือโยมโชคร้ายเขาที่แล้วได้มาปฏิบัติตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เจอวิปจารย์เลยเพราะว่าวิบากกรรมคงตามมาทันนะได้ไปนอนในข้าเจาะคออยู่พระอาจารย์อยู่ที่มาไม่อยู่ ทุกคนก็เอาที่ที่รายงานการปฏิบัติก็เอาไปฟังทั้งหมดที่ที่พรรษาที่ผ่านมานะมาได้มาขอพักปฏิบัติกับพระอาจารย์ก็ได้ล้มเจ็บลงก็ไม่ได้เจอพระอาจารย์อีกเลยจนกระทั่งวันนี้ก็ฟังที่รายงานชุดก่อนที่ทุกคนในรายงานก็อ่า ส่วนเรื่องการปฏิบัตินะก็หลังจากเจ็บป่วยมานี่ก็การปฏิบัตินี่ก้าวหน้าขึ้นมานะรู้สึกว่ามันมันก็เป็นผลดีที่เราได้เห็นเวทนานะไม่ไม่ได้คิดว่าโอ้โหนี่เป็นโชคร้ายหรืออะไรเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเข้าไปรู้ไปศึกษามันโดยท่องแท้ว่าเหตุมันเกิดมาจากไหน แล้วเราจะแก้ไขยังไงเราจะอยู่กับเขายังไงโดยที่ใจไม่เป็นทุกข์ตลอดเวลาระยะที่หลังจากเจ็บป่วยมาก็อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติปฏิบัติค้านนะมันเวทนามันแรงกล้ามากจนคิดว่าร่างกายนี้มันจะรับไม่ได้แล้วนะก็เลยโทรไปหาหลวงพ่อก็ไปขอไปกราบลาขอลาตายระบบพระอาจารย์บอกว่าหลวงพ่อบอกว่า ยมขอกราบลาแล้วเพราะว่ายมไม่ได้เสียดายเลยที่เกิดมาชาตินี้มันคุ้มแล้วที่เกิดมาแต่เสียดายอย่างเดียวที่ว่า <c oughs> ยังให้ทำไม่ถึงที่สุดทุกแต่ไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ถ้าเกิดมาใหม่ถ้ายังเกิดมาใหม่แล้วก็ต้องมาต่อสู้กันอีกการที่ล้มเจ็บป่วยเขานั้นนะคะได้เห็นตัวเอง ตอนที่ลาตอนที่หลวงพ่อท่านก็เมตตาโทรมาเช็คประจำเลยธรรมดาปกติถ้าท่านไม่มีธุระท่านก็จะไม่โทรมาแต่พอท่านทราบว่าเราคงมีอาการหนักท่านก็โทรมาให้กาลังใจถามนู่นถามนี่ไม่ได้ให้กําลังใจอะไรมากเราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเนะพราะเวทนามันกล้านะปกติถ้าท่านโทรมาท่านจะเป็นคนวางสายบางทีเรายังถือ โทรศัพทเกอร์เลยท่านวางไปแล้วคุยอยู่คนเดียวยังไม่ทราบเลยฮนะแต่วันตอนที่เจ็บป่วยนี่ท่านโทรมาเราจะวางสายก่อนเราบอกพอแล้วนะหลวงพ่อเพราะว่าเวทนาแรงกล้ามากตอนที่เวทนาแรงกล้าเนี่ยนะจากการที่เราปฏิบัติเนี่ยมันมาให้ผลตรงจุดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ไม่ยอมจำนนต่อมัน คือเราดูแล้วนว่าเอออามนแลงก็มันเจ็บปวดตรงไหนนะส่วนที่ไม่เจ็บปวดมันก็มีทำไมเราต้องเอาจิตไปไว้ที่เจ็บปวดอย่างเดียวนะมือเราก็ยังกระดิกได้เท้าเรายังกระดิกได้เอาความรู้สึกที่เราปฏิบัติมาสติสัมปชัญญะที่พวกเราปฏิบัตินี่แ่ละเอามาใช้ตรงจุดนี้ล้นี่เอาความรู้สึกตัวอยู่กับความรู้สึกตัว ตอนที่เราเจ็บป่วยนี่นะเราจะอ่อนแอลงเราก็ไปพึ่งฐานกายก่อนเพราะจิตมันรับไม่ไหวเราก็ไปพึ่งฐานกายเอากำลังจากฐานกายนี่แหละมาช่วยสักพักหนึ่งสมาธิที่เราเคยบำเพ็ญมาเนี่ยมันก็จะมาต่อยอดตรงนี้นะให้จิตเราได้ผ่อนคลายเวทนาลงช่วงนี้ตัวปัญญาปัญญามันก็จะคอยเกิดขึ้นกากับบอกว่าเออ เจ้ามาอยู่นี่นะจิตมาอยู่ตรงนี้ปัญญานี่ตามดูตลอดเลยจิตใจก็ผ่อนคลายจากเวทนากายก็เบาจิตก็เบาเนี่ยขนาดทาแค่นี้นะเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ฉันไม่สงสัยเลยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะหมดทุกทีเดียวเรารู้แล้วว่าเออเราแก้ทุกข์ได้อย่างไรทุกเกิดจากยังไงทำยังไงเราจะอยู่กับทุกข์ได้โดยที่ไม่ทุกทุกทุกใจเลย ทุกายนี้นะมันเป็นทุกข์ที่แบบว่ามันเป็นรูปธรรมมันต้องไปอยู่ในกฎไต ร, รักมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะส่วนจิตใจเราให้ยืนอยู่เหนือนี้ได้นะโดยอยู่กับทุกข์ไม่ต้องทุกข์เราแยกได้คือจิตเราไม่เข้าไปอยู่ในนั้นเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นแล้วเราก็วางใจปล่อยวางได้ ก็เลยไม่สงสัยในในใ น, ในจุดนี้ไม่มีความสงสัยเลยเพียงแต่ว่าเราจะเดินเราจะทำให้ถึงที่สุดแค่ น, นั้นเองพอมาที่นี่นะคะได้สองวันได้อารมณ์ดีมากเลยเพราะว่าหนึ่งสังเกตดูว่าสถานที่เป็นสถานที่สัปปร ะ, ะมากบุคคลก็สัปเห ะ, ะมันเป็นพร้อมไปหมดเลย พร้อมทุกสิ่งอย่างที่ในบทสวดมนต์ที่เราสวดกันพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ว่าพระอานนท์เคยกราบทูนอาเรียนกราบเรียนพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสถานที่นี้ถ้าคนผู้ใดปฏิบัติธรรมในพร้อมด้วย สถานที่ที่สัปเพะบุคคลสัพเยะจะเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์ใช่ไหมพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบพระอนุนว่าอานนุ์เธออย่ากล่าวเช่นนั้นทั้งสองอย่างนี้เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นี่ดิฉันถึงบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่พร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราจะทำจิตใจของเรา ให้อยู่กับตัวเราเองได้ยังไงพระอาจารย์พูดว่าจิตที่มันโหยหาเรียกหาไอ้ตัวความคิดตัวตัญหาตัวนี้เราจะเห็นมันได้ด้วยอย่างไรแล้วเราจะแก้มันได้อย่างไรโดยที่จิตเราไม่ต้องไปโหยหาให้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ท่านต้องทำของท่านเองท่านทำได้ถึงแค่ไหนท่านรู้ของท่านเพราะฉะนั้น ดิฉันก็ขอกราบด้วยเศียงด้วยก้าวที่ได้มาปฏิบัติที่นี้พระอาจารย์เป็นกันรยาณมิตรที่ดีได้ถวายที่นี้ให้เปรียรคนได้ปฏิบัติธรรมได้รู้ได้เห็นธรรมในอดีตในปัจจุบันและอนาคตดิฉันก็คงต้องปฏิบัติต่อไปจนถึงที่สุดแห่งทุกนี้ ถ้ากล่าวมานี้ก็ท่องใช้เวลาพอสมควรแล้วนะคะคือบางครั้งเนี่ยเวลาพูดนี่นะะมันเหมือนคนที่เป็นใบ้เนะี่ยมันรู้แต่มันพูดไม่ได้ธรรมะอะไรที่เกิดอย่างภูบาอาจารย์ท่านท่านเรียนรักธรรมท่านมีปริยัติมีปฏิบัติมีปฏิเวท ป, ปฏิเวทท่านแสดงธรรมได้ไพเราะพิสดาร ภัร้อของธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าใครได้เข้าได้เข้าไปได้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจะไม่สงสัยเพราะว่ามันจะรวมมันจะเห็นไปทางเดียวกันจะแตกต่างกันก็ไม่มากแต่ที่สุดก็คือความพ้นทุกข์ดิฉันเชื่อเลยว่าเนี่ยเป็นหนทางของมัคมัคคะปฏิปทาทางที่จะพ้นทุกข์ทางนี้แหละที่ดิฉันเลือกเดิน ท้ายสุดนี้ดิฉันข้อขอกราบนมัส ก, การครูบาอาจารย์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ตรัสรู้รมให้แก่อริยะอริยสงสาวกของท่านพระสงฆ์อริยะสาวกของท่านก็ได้มาเผยแผ่สั่งสอนอบรมพวกดิฉันพวกข้าพเจ้าทั้งหลายดิฉัน ก็ขออนุโมทนาแกบท่านที่เข้ามาในคอสนี้และขอให้ท่านจงได้รู้ได้เห็นธรรมทั่วทุกคนทุกคนเธอสาธุคุณ ท, ที่เห็นว่าในอนิยานะปารมะปารมะอารยธรรมเรียกชบอกว่าบุคคลผู้ได้วิตีได้สหายดี มีคำคำหนึ่งาะว่าสบองกาตาเรามาแปลว่าสิ่งแวดล้อมดีนะผู้แวดล้อมสิ่งแวดล้อมในสบองกาตาเนี่ยคุณแม่ได้แก่สปายาอันศก็มีหารสปายะว่าสปยะทุกลสปายาแล้วก็ธรรมะสปยะเนี่ยสบองกาตาแต่ว่าเนี่ยไปได้ด้วศีกเนี่ยโดยสุดท้ายนี่สาคัญ ถ้าหากว่า ส, าสพาัพยากรสีโตมายความว่าร่างกายอย่างนี้ระบบภคุ้มัสัพยาหมายถึงอะไรอย่านี้อาหารและสัพยหมายถึงที่ว่าเรอาดีที่เราไม่มากเกินไปไม่น้อยเกนไปไม่จเ ก, กินไปแล้วก็อาวัสัพยที่ช่วยสงสนิเย็นภคุกสัพยหมายถึงกรน้ด้วยอาหาด้วยแล้วก็ธรรมสัพยหมายถึงวิธีการที่เราปฏิบัติ มันสอดคลองมันสามารถแก้ปัญหาแก้ปุษกเลได้อยู่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรมสไาเนะเพราะนัะ้นตัวสปอกระดาษน่าจะไปายถึตัวสบยายสีตรวนี้นะนัะนเราไปทบวนกัดีบอกว่าบุคคลผู้ใดได้ไดาอานใส่สีเเป็นกนารแล้วนิ่ น, นะจะควรจะพู้เาัเขาจะเป็นลักษณะที่อุณมิสาัจะไ ป, นนปะตัวเล็กต่อ กราบนำระสคราชคูบาอาจารย์ทุกท่านคะ่ะคือว่าวันนี้ตื่นมาแต่เช้าตื่นเร็วไปหน่อยเพราะว่าตั้งนาฬิกาผิดตื่นตั้งไว้ตีสามเลยตื่นพร้อมกันหมดสงสัยตืน่นค่ะ<ไ>ดังสามร อ, อไว่าทำไมมันดังสามรอบทำไมไม่รู้กสิ ใช่ก็แต่แรกก็ <c oughs> คิดว่า<ร>ถ้าวันนี้เพื่อนๆง่วงก็ให้โทษดิฉันเพราะว่าเป็นผู้ตั้งอ่ามาดูทีนี้อ้าวมันเพิ่งตีสากว่า <c oughs> แต่ก็คิดว่าวันนี้คิดว่าจะง่วงก็ตั้งใจว่าจะมาง่วงอะฮะจย์แต่ว่าพอจริงๆเข้าวันไม่ง่วงเพราะว่าพอเราเริ่มออกกําลังกายปุ๊บสูตรอากาศหายใจตอนเช้ามันก็จิตมันก็จะเริ่มตื่นเริ่มตื่นนะแล้วก็มีความสดชื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ วันนี้ตอนทำวัดเช้าเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเปล่งเสียงได้ดังฟังชัดกับตัวเองนะคะรู้สึกว่ามันออกได้เต็มปอดเพราะว่าเราออกกําลังกายมาเต็มที่มันก็รู้สึกมันสวดมนต์ได้ชัดถ้อยชัดคำอะไรอย่างเงี้ยะะแล้วก็วันนี้ทั้งวันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ทวนมีความสุขว่ามันไม่ยากกับการปฏิบัติธรรมคือไม่ต้องทวนความทวนกระแสความรู้สึกมากคือมันจะมีความ เป็นธรรมชาติของการสร้างความรู้สึกตัวมากขึ้นแล้วก็จะเห็นอริยบทย่อยมากขึ้นอเช่นเวลายืนแปลงฟันเราก็จะเห็นการแปลงฟันของเราที่ชัดโดยที่ไม่มีความคิดเข้ามาแทรกอยู่ ก, การแปลงฟันขยอบไปก็ไปเช็ดหน้าเราก็ได้แต่เช็ดหน้าแต่มันมีความสึกอันนึงก็ทำไมเราเช็ดหน้าตัวเองแรงอย่างนี้ รู้สึกงั้นว่าโอุกทีเราแรงอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ด้วยเสร็จก็เดินแล้วก็อารมณ์ย่อยส่วนใหญ่ที่จะเห็นก็คืออารมณ์ของหายใจค่ะคือว่าถ้าไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะนั่งรอเพื่อนทานอาหารหรือรอท่านอาจารย์ทานอาหารก็นั่งเฉยๆนอกจากสัมผัสอาการหนักเบาที่เรานั่งอยู่แล้วเราก็จะเห็นลมหายใจเราที่เข้าออกเราก็จะจับอยู่แต่ที่ลมหายใจแต่พอเราพูดกับคนพอกลับเข้ามามันก็จะมาอยู่ที่ลมหายใจ เวลาเคี้ยวข้าวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามีสติดีเราตั้งใจเคี้ยวเราก็จะเคี้ยวอย่างละเอียดแต่ถ้าเกิดเราเผลอสติอไปคิดเราก็จะเคี้ยวไม่ละเอียดค่ะเตะเข้าโกอย่างเดียวคือคืนคืนคืนเลยเราก็เห็นเราก็จะจับความรู้สึกนั้นได้จันงีแล้วอุ้ยนี่เราขาดสตินะเราก็จะกลับมาเคี้ยวให้ละเอียดใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ความง่วงตอนเช้าก็ไม่ได้เยอะมากก็เลาเริ่มง่วงก็ใช้หายใจช่วยแต่ว่าอาจจะแตกต่างกับที่อาจารย์สอนมานิดนึงคืออาจารย์บอกว่า SKT ให้หลับตาแต่ครา้งนี้โยมเปิดค่ะเพราะว่าอย่ากระทวนกระแสเพราะว่าเราก็ต้องลองพิสูจน์ในทางของเรา <c oughs> ก็คือพอง่วงปุ๊บสูดหายใจพอสูดปุ๊บเนี่ยเราเห็นอาการของความง่วงเนี่ยมันค่อยๆเริ่มเปิดออกแล้วก็ตามก็สว่างพองขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลย แค่หายใจฟืดเดียวค่ะแล้วกั้นแล้วก็ปล่อยแค่นี้แล้วก็ยกมือปฏิบัติต่อท่านี้ในการปฏิบัติครั้งนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันชัดเจนเวทนาน้อยเราก็จะมีความสนุกกับการดูจิตของเราค่ะอาจารย์คือครั้งนี้มันจะมีความชัดเจนเห็นเวล า, ากายกับใจมารวมกันเนี่ยเราก็จะเห็นความรู้สึกต่างๆเห็นจิตเราที่มันวิ่งอยู่ในร่างกายเราอย่างนี้อาจารย์ว่ามันวัยมันเคลื่อนไปได้ทุกที่มันขึ้อนอยู่กับเราจะเอา จิตเราไปจับอยู่อาการตรงไหนอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็พอทําอย่างนี้เข้าไปบ่อยๆมันก็จะเกิดความรู้เฉยๆขึ้นมานะ เ, เกิดตัวรู้ขึ้นมาเฉยๆแล้วก็จะเห็นแต่ตัวรู้สัมผัสได้แต่ความรู้สึกแตเ่เห็นแต่อาการของทางกายแล้วก็แค่รู้รๆๆฉันก็จะนั่งได้นานแล้วก็เวทนานก็จะน้อยเวลาคิดก็มีแบบเพอคิดพอเพอคิดปุ๊บเราก็รู้กลับเข้ามาคือเราจะ จะรู้ทันกับความคิดนะคะหรือตั้งใจคิดเราก็ตั้งใจคิดได้แล้วก็เหมือนกับความคิดกับความรู้สึกตัวมันมาจ้าเอกันความรู้สึกตัวเราก็จะชนะความคิดอะไรเงี้ยค่ะก็มีความสุกว่ามันถ้าเปรียบเทียบกับการปฏิบัติที่ผ่านๆมามันเริ่มเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ต้องฝืนคือไม่ต้องชักกระเยอะระหว่างจิตที่มันจะพยายามส่งออกนอกกับจิตที่จะทาความรู้สึกตัวมันจะ เรารู้สึกเราจะเริ่มชนะมันมากขึ้นแล้วก็มีความธรรมชาติมากขึ้นกับการปฏิบัติในภาคปฏิบัตินี้กับออกไปที่ไม่ใช่ปฏิบัติในรูปแบบคือไปทำกับฆ่าหรือทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าวิธีการนี้ดีนะคือพอเราออกไปจากภาคปฏิบัตินี้ออกไปทำความเป็นจริงเนี่ยเราก็ยังมีสติอยู่คือแล้วพอเรากลับเข้ามาเรามานั่งปฏิบัติต่ตอเนี่ย มันก็ยังต่อติดคือมันไม่ได้ใช้ความพยายามหรือฝืนมากแต่ก็อยากจะให้กําลังใจทุกท่านนะคะว่าคือดิฉันปฏิบัติมาคอร์สที่คอร์สที่6อาจารย์แล้วแล้วก็เป็นคนที่บังเอิญทุกครั้งที่มาเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งใจฟังอาจารย์มากเพราะว่ารู้สึกว่าแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่สามารถเก็บข้อมูลที่อาจารย์ให้มาเนี่ยได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกก็จะได้นะดับนึง แต่ทีนี้เราก็อาจจะไม่เข้าใจในจุดอื่นๆที่อาจารย์พูดชั้นค้างต่อไปที่มาเนี่ยอาจก็จะตั้งใจฟังแล้วก็เอาสาระตรงที่อาจารย์สอนและที่เราทําไม่ได้เนี่ยมาฝึกปฏิบัติในคอร์สนั้นแล้วก็มันก็จะค่อยๆเห็นการพัฒนาของมันขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแน่นอนมันก็มีที่แบบหลุดบ้างคือหลุดบ้าง มันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แต่เราก็รู้ว่าเราต้องพัฒนาตรงไหนแล้วก็เอากำลังพัฒนาคือคือก็เห็นความสำคัญของการเจริญสติเพราะว่าพอมันเข้าใจตัวนี้เนี่ยบางครั้งในเวลาวันนี้ตอนนั่งทำไปเนี่ยมันเกิดภาพย้อนอดีตนะคะอาจารย์มันจับความรู้สึกตอนเด็กๆได้เมื่อส4มสี่ขวบถึงอาการกลัวกลัวเข็มฉีดยามันอยู่ดีมันก็รู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาอาจารย์แต่เราก็เออแค่รู้แล้วก็ ปล่างแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอาการในอดีตทําให้เรารู้สึกเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะจ่าอย่างเช่นตอนที่โยมป่วยแล้ต้องทานยาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเป็นโรคป่วยทางจิตว่ า, าจริงๆแล้วคือป่วยทางจิตเพราะว่าหลงทางและหาทางกลับไม่ถูกใช่หมอก็เลยให้ทานยาแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยมันมีจุดจุดหนึ่งที่โยมนอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยมันกําลังตายโยมก็เลย จับต้นไม้ต้นรันขึ้นมาแล้วก็มาเปลี่ยนกระถางจับดินเปลี่ยนใหม่แ ต, ต่ช่วงไอความรู้สึกตอนที่ปฏิบัติเรวยกว่าทำไมตอนนั้นเรามีความสุขไอตอนนั้นห้าปีที่แล้วเนะี่ยเราไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงมีความสุขแต่ตอนนี้เราเข้าใจสถานการณ์นั้นเพราะอะไรเพราะตอนนั้นเราอยู่กับปัจจุบันแต่ตอนเราไม่ได้คิดไงฮะ มันพอมันทำาอ๋อตอนนั้นเรามีความสุขเพราะเราอยู่กับปัจจุบันช่วงนั้นเนยมจ ะ, อะชอบการปลูกต้นไม้มากเพราะรู้สึกว่าพอมือเราได้สัมผัสดิดนเปลี่ยนต้นไม้เนี่ยเราเรามีความสุขแต่ตอนนี้พอย้อนกลับไปคิดและศึกษามันเนี่ยเอ้ยนั่นเรามันอยู่กับปัจจุบันแต่เราไม่เคยทำความเข้าใจแล้วก็เรายังไม่เข้าใจว่าเราจะสร้างตัวสติยังไงพอเราออกไปข้างนอกตอนนั้นเราก็ยังทนกับแรงกระทบไม่ได้ค่ะ แต่ว่าการปฏิบัติอย่างนี้ทําให้โยมได้ได้เห็นตัวโยมในอดีตแล้วก็ดูตัวเองว่าเรามีพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างไรแล้วเวลามีคนมาพูดเรื่องทุกข์ของเขาอะไรอย่างนี้เราจะเข้าใจเขาทันทีเพราะว่าเราจะเข้าใจสภาวะจิตของเขาที่มันเหมือนเราเพียงแต่ว่าเรื่องราวของทุกขมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ตัวทุก์มันเหมือนกันก็เลยบางครั้งก็เกิดความสงสารเพื่อน อย่างเช่นคุณส้มเนี่ยพอพอรู้ว่าเขาเมีความไม่สบายใจเราก็เข้าใจเขาทันทีว่าเขากําลังหลงทางแต่ของแบบนี้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่ว่าเมื่อเห็นทุกแล้วเนี่ยตัวเองเนี่จะหาหนทางเนี่ยออกมาอย่างไรอย่างตัวดิฉันเองนี่ก็รู้สึกว่ามีความตั้งใจมากเพราะาอยากพ้นทุกข์ก็พยายามแบบสร้างตัวสตินี้ขึ้นมาแล้วก็มันเห็นผลว่า ม, มันช่วยได้ค่ะแล้วก็คนที่เป็นโรคอาการาาทางจิตเนี่ยมันต้องมีความเพียรมากกว่าคนอื่นเป็นสองงสามเท่าเพราะว่าเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยไอตัวจิตเนี่ยมันมักจะหลงไปล่องเดิมมันเหมือนแผ่นเสียงตกล่องอะค่ะพอมันตกล่องปุ๊บเราก็รู้ทันทีเราก็มาสร้างตัวสติเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเราชนะมันก็เลย เข้าใจแล้วก็ลาปฏิบัติก็เลยมีความสุขว่าเรายิ่งต้องเล่นความเพียรมากขึ้นเพราะมีความสุขว่าถ้าเราเข้าใจตัวเราเองได้นะวันหนึ่งเราก็สามารถช่วยเพื่อนคนอื่นได้ด้วยคุณช่วงวันี้จะกับเองหรือว่กับเองค่ะกไปดีขึ้นแกก็ยังคิดเยอะค่ะแต่ว่ายมว่ามันก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์เพราะว่าความคิดกว่าเขาจะตัดออกได้ทีละชั้นทีละชั้นมันอาศัยเวลา แล้วเขาก็เพิ่งมาครั้งแรกโยมเขาโยมเข้าใจเขาเลยเพราะโยมปฏิบัติกับอาจารย์ครั้งแรกโยมก็เป็นอย่างนี้ค่ะคือแบบไม่รู้อะไรคือสติมันมีแต่ความคิดเข้ามาเยอะไปหมดจนกระทั่งโยมต้องเล่นความเพียรด้วยตัวของโยมเองแล้วก็โยมก็พยายามให้ความเป็นกันเองกับเขาค่ะก็หวังว่าวันที่สมที่4ที่ห้าเขาอาจจะได้อารมณ์บ้างนิดนิดหน่อยหน่อเขาจะได้รู้สึก ดีขึ้นมาแค่ถ้าเขาได้อารมณ์นะแค่5นาทีเขาก็จะมีความสุขแล้วเขาก็ทำให้เขาอยากจะกลับมานั่นคือความรู้สึกของโยมนะคะโยมก็รู้สึกอย่างไงานคือแต่ว่าเราจะสงสารใครแค่ไหนแต่เราก็ต้องมีการอุเบกขา พระเจ้าเน่ยพระองค์ทรงรู้สองอย่างห่งรูปรอุปกรรมงานโยมอาริษามีมีปุพกรรมอะไรพระองค์จะรู้สาวกของพระองค์ทรองจะรูู้ปุพกรรมสองก็คือจะรู้เจดคนนี้มีเจดอะไรอังกฤษ สามนี่สำคัญรู้ว่าทมบทไหนยาตัวไหนที่จะรักษาคนนิ้าน้วางยาท่า น, นความเพ่งของพระเจ้าก็คือเอาเส้นผมบังผูกเขายิ่งของพวกเราเนี่ก็สังนิธานไม่ใช่ยาสังนิธาน พระองค์ในทรงมียาณแต่เราเนี่ยมีแค่สันนิษฐานสันส น, นิษานคาดคนเนไป ใ, ในของคุณส้มเนี่ยเธอปัญหาก็คือพูด ง, ง่ายๆก็คือโรคกระสัโรคกระสัมาจากฮอรอโนไรทอง พเพราะเดิมเธอเนี่เป็นเรียนสายอภิิหารมาสายอภิธรรมแล้วก็หลายสายลเลนแต่ตอนนี้มันมันน่าจะยากถ้าสันนิฐานเราไม่มียานนะใช้การสันนิฐาน ก็คือแค่ได้แค่แค่สิบนาทีอ๋อก็เธอได้หายมาปกติครั้งหนึ่งเกือบปีเนึ่ยพระอาจานกลับมาจากเมืองไทยเอ า, าโยมเป็นเธอเป็นครั้งหนึ่งเนนหนีกลับเมืองไทยไปรักษากลับมาก็ปกติแต่ถ้าเธอไม่ปกติเมื่อไรนะั่นแหละเธอจะบอกว่าเนี่ยเขาจะมาฆ่าลูกฆ่าเธอ ข้าศานีเขาจะมาอย่างนั้นสียงนั้นสิ่งนั้นมากมายก็คื อ, อ ม, มันประสาทถอร้ อ, อนก็ถานเธอก็ต้องในลักษณะนี้ก็คงจะมีปุปกปุมุปกัแล้วก็ร่วมกับสุขภาพด้วย ก, ก็ก็ยังดีที่เธอยังยังมีศาสนาเป็นที่พึ่ง คือก็เหมือนเจ้าพระธรรมยุตสุรินนั่นเป็นโรคประสาทอันเดียวกันเป็นถึงเจ้าคณะจังหวัดนะเดินไปท่านจะเก็บขยะใส่ย่างพอท่านหายก็ถามท่านว่าเก็บทําไมเออท่านบอกว่าเห็นเป็นเงินทองอท่ันเดาจึงหายสงสัยเลยคนบ้าที่แบกทุ้งใหญ่ๆนั่นแหะคือสมบัติของเขา น, น, นั่นแหะก็ทําให้เราเห็นถึงว่าพระธรรมถ้าไม่ใครใครไม่ได้ศึกษาพระธรรมหมดความหมายเลยเชื่อศึกษาพระธรรมไม่มีก็ะธรเป็นดีปึง่งเพราะว่าธรรมะนี่เมื่อศึกษาจบแล้วมันจะเหมือนหลวงพ่อคําเขียนท่านจะประกาศน ไม่เป็นอะไรกับอะไรโอ้เหมือนลึกซึ้งยกับท่านทุกคนคือไม่อะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรทำหน้าที่ไปให้ดีที่สุดก็คือจิตมันไม่ไม่มีอะไรกับอะไรนั้นถ้ายังอะไรกับอะไรอยู่เนี่ยจบเ <c oughs> ทีนี้เธอเนี่ยนู้นนี่นั่นสารพัพกันเนี่ยเห็น ก็เราก็ต้องแผ่เมตตาให้เติมนั้นเคสอย่างนี้เยอะเพราะว่าสติอ่อนอสติอ่อนถ้าเกิดว่าเราสติอ่อนเราก็ประสาทเพี้ยนเป็นไงครันมันก็ต้องให้ปราชญ์มาช่วยแก้ให้ให้มีเสียงดี ปิ่งปิ่งงงค่ะปิ่งไหมเอกปิงวางยมนั้นแต่ไหมเอกใช่ก็วันนี้ตื่นแต่เช้าพี่เลี้ยงปุกแต่เช้าความเพียรสูงมาก ก็ตอนที่ออกกาลังกายก็สดชื่นดีนะคะเพราะว่าคล้ายๆกับโยคะคือท่าบางท่าคือเคยทํามาแล้วเป็นท่าอักษรฉันก็ไม่ใช่เรื่องยากมากก็คือแค่แค่ตั้งใจลมหายใจให้ตามวิธีของพระอาจารย์ใช่ไหมคะพอหลังจากนั้นพระอาจารย์สอนก็ปล่อยตอนนั้นแหละคืออย่างง่วงคือง่วงมากง่วงจนแบบว่าเดินก็แทบจะหลับนะะก็พยายามจะแก้สุดท้ายก็คือ S อสแคทีก็เอาไม่อยู่ อาจจะยังทําไม่เป็นนะแต่ว่าก็เลยใช้วิธีเปลี่ยนท่าคือเปลี่ยนให้แบบว่านั่งมือเป็นหลังมือนั่งต้องเดินเดินแล้วกลับมานั่งมันก็พอจะดีขึ้นแต่เพราะหลังอาหารเช้าเนี่ยคนละคนเลยขึ้นกับว่าโรคในเริ่มสดใส mm hmm. เวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าเกิดเพิ่งเปลี่ยนอิเล็กทรอกเดินแล้วมาเป็นนั่งปึ๊บเนี่ยค่ะคือแบบจะรู้ตัวชัดเจนเพราะมันคือเรานั่งได้ความพอดีอย่างที่พระอาจารย์ว่าถ้าพอมันพอดีเกินไปเนี่ยมันก็จะ เพลินเพลินปุ๊บก็จะเริ่มไปละคิดถึงลูกเสร็จอ้าวแล้วก็กลับมาทีนี้พอเป็นนี้สัก 2, สองสามรอบก็เลยคิดว่าเอาอย่างงี้ดีไหมฉันเกินพอดีสนิทหนึ่งคือคือเกินเพลินคือว่าค่อนข้างจะสาดท ร, รมานตัวเองเล็กๆ ก, ก, ก็คือว่ากะให้นั่งให้ปวดนิดๆ น, น, นะคะจะได้รู้ตัวเพิ่มขึ้นใหมอ่อย่างหนึ่งมันก็พอได้แต่ว่ามันไปกลายเป็นว่าไปรู้ตรงเจ็บมากกว่าจะมารู้ตัวก็คือก็รู้สึกว่าอ่ะเกินพอดีไปละ ก็เลยก็ต้องปรับเปลี่ยนมีอะไรอีกเดี๋ยวนะเดินจงกรมตอนที่เรียนพระอาจารย์ว่าเดินจงกรมไม่เคยได้ผลใช่ไหมคะแล้วพอเดินเข้ามาปุ๊บก็เอาละฉันก็ลองเดินเล่นๆ ล, ละกันคือประมาณนั้นนะคะกลายเป็นว่าเป็นการเดินจงกรมที่ดีสุดในชีวิตตั้งแต่เดินมาเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจแต่รู้ตัวดีมากคือคือเคยศึกษาการเดินจงกรมของหลวงพ่อจรัญที่บอกว่าเดินเดินเราต้องหยุดใช่ไหมคะและให้รู้ตัวทั่วพร้อม เราต้องค่อยๆกลับหลังถ้าไม่งั้นสติตามไม่ทันตลอดชุดไม่เคยเข้าใจว่ามันเป็นยังไงคือเข้าใจว่า ส, สติตามมันทันเป็นไงแต่วันนี้เข้าใจว่าสติตามทันมันเป็นยังไง mm hmm. ก็คือเริ่มก็คือแล้วอยากรู้เลยว่าอยากแต่มันก็ไม่ได้แล้วก็คือก็ต้องค่อยๆแล้วที่คิดว่าวันนี้ทําได้ดีคือตัวเองเห็นความอยากผูดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีตัวภาคไม่ได้ตั้งใจคือเห็นว่าเนี่ยประตูเปิด เห็นความอยากว่าอยากหันไปมองว่าใครเดินเข้ามาหรือว่าอยากดูว่าตอนนี้มันกี่โมงแล้วคือเห็นความอยากขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคือคือนี้คือไม่ค่อยเป็นอย่างนี้ปกติจะมีตัวภาคตลอดภาคไว้เนี่ ย, จ ะ, ยางงาจะอย่างนั้นจะอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่วันนี้ตัวเฉพาะอยากนะแต่ตัวยังมีตัวภาคอยู่ อ่อตอนบ่ายสองโมงก็เริ่มง่วงเหมือนเดิมก็ต้องใช้วิธีเหมือนตอนเช้าคือว่าสลับคือให้มันตรงกันข้ามกันอย่างรุนแรงคือนั่งเอสเคทนะี่ยไม่ได้แล้วล่ะตอนนั้นพอบ่ายสามโมงก็ก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้ลองลองใช้เอสเคทก็คือลองแบบสุดโตง่งก็คือพระอาจารย์บอกว่าให้กั้นลมหายใจให้สุดๆใช่ไหมต้องแรงๆมันถึงจะช่วยได้แล้วหลังจากนั้นก็ลองว่า ใช้ความเพียรใช้ความคิดเข้ามาว่าทําไมฉันต้องมาวันนี้ที่นี่ทําไมฉันต้องมาที่นี่ทําไมฉันไม่อยู่บ้านเพราะว่าต้องการไปถึงไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเลยใช้ความคิดว่าเราต้องสร้างความเพียรแล้วคิดต่อไปว่าฉันต้องมีความเพียรพอคิดแค่เนี้ยมันก็ดีขึ้ น, เ ห, นเห็นเลยเพราะฉันรู้สึกรู้สึกว่ามันจะใช้ได้แต่ว่าอาจจะใช้ไม่ได้ตลอดก็คือแต่ว่าพอหลังจากตรงนั้นไปค่ะก็คือพยามจะเริ่มใช้ความเพียรมาก่อนว่าฉันเพียรแล้วมันก็จะหยุด นอกจากมันสุดตรงไม่ไหวก็ต้องลุกขึ้นยืนหรือว่าปรับเปลี่ยนคือให้มันตรงกันข้ามไปเลยถึงห้าโมงเย็นไม่ไหวแล้ ว, วคือหมดหมดทุกอย่างคือไม่ไหวแล้วบอกบอกพี่เล็กว่าไม่ไหวแล้วนะมันมันหมดแล้วว่าวันนี้ต้องเบรกแล้วเพราะว่ามันจะพารู้ตัวว่ามันจะไปไม่ได้แล้วมันจะฟุ้งตลอดเวลาดีขึ้นค่ะ แต่ก็ยังไม่ได้นานจนถึงตลอดระยะเวลาอาจจะเป็นที่กำลังใจจะหมดแล้ววันนี้คือแบบมันหมดนะปกติคนที่มีกำลังใจมากกว่าปกติแต่วันนี้แปลกกำลังใจมันมาไม่ไม่พร้อมเท่าทุกครั้งคือคือปกติเป็นคนที่จะต้องนี่คือสารภาพาว่าวันนี้แปลกมากปกติว่ายัางจะมาสวดนมนต์ข้ามคืนเนี่ยตั้งใจมาจากบ้านคือว่าฉันต้องมาให้ได้แล้วคือแบบจะอยู่ได้ตลอด วันนี้คือเหมือนกําลังใจมันน้อยกว่าทุกครั้งไม่รู้เป็นเพราะอะไรเชา้ชาเชา้าไม่รู้ชใช่จริงก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเพราะยังสงสัยตัวเองว่าปกติเนี่ยความตั้งใจเนี่ยมันเกินร้อยทาไมวันนี้มันมันมาไม่ค่อยถึงแต่เดินจงกรมได้ดีกับกับเห็นความอยากก็ไม่ทราบเหมือนกันการที่เห็นความอยากโดยที่เป็นเองนะ ที่ทำมุติสติแบนไม่ได้ง่ายๆนะแต่เธอมาวันเที่สมาธิไม่แต่ว่า <c oughs> ต้องกราบเรียนพระอาจารย์ว่าหนูปฏิบัติหยุดหยุดติดติยุดหยุดติดตมาระยะเวลาหนึ่งค่ะคือว่าอย่างที่กราบเรียนเมื่อวานว่าหนูนั่งสมาธิกเกือบทุกวันเคยนั่งทุกวันเป็นปีอ่ะที่แล้วก็หมุนที่บอกจําได้ไหมคะที่หมุนแล้วคือระหว่างวันเนี้ก็คือใช้ดูดูตามรู้คือคือฟังหลวงพ่อปามโมุตมาด้วย ก็คือจะทำตามที่ท่านว่า ย, ยัางนั่งทำงานอยู่เนี่ยจะไปห้องน้ำก็เดินจงกรมไปห้องน้ำมีหลุดบ้างแต่ก็คือก็ยังจะพอได้บ้างงแล้วเวลาจะหยิบของบนโต๊ะก็คือจะจะบางทีก็แพงบางทีก็ไม่พแพงแล้วคือจะเป็นอย่างนั้น<ม>แต่ไม่แต่ไม่ได้สม่ำเสมอเพราะหลังจากที่แก้โรกหมุนตัวเองไม่ได้แล้วคือยุงย่งยุ่งที่บ้านก็หยุดไปแล้วตัวปอคาพอดีที่บ่าี่เคยทำแบบนี้มาก่อนไห ไม่เคยวันนี้เป็นวันเป็นครั้งแรกเพราะ<ช>ว่าเพราะว่าไม่เคยนั่งแล้วสบายอย่างเงี้ยค่ะปกติคือนั่งแล้วมันก็จะปวดแล้วก็จะแค่มองความปวดแต่วันนี้ลองดูว่าถ้าฉันฝืนสักนิดนะ่ะฉันจะนั่งต่อได้อีกนิดนึงนคือสติฉันได้อยู่ต่ออีกนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนั้นนะสัมพันคือการที่เราจะพบความเป <c oughs> ็นหงในมันจะต้องพบความเป็นข้างนอกที่ชัดก่อมันจะต้องได้ตรงนี้เป็นเป็นโมเดล ได้ความจากสติที่ในในในรูปเนี่ยนะให้มีทักษะตันนี้บ่อยๆเมื่อเกิดทักษะตันนี้บ่อยๆแล้วมันพออะไรที่มันจะไปเกินในจิตเนี่ยมันจะรู้อันทีแล้วต้องทําไงคะคือจะปล่อยให้มันพอดีไปให้มันเพลินหรือว่าให้ปลอกายเนี่ยปลอบหนักปลอบเาปหนักปอคือเนื่องจากว่าที่เรียกว่าวิธทําไปมันเพลินใช่ไหมเพลินในฝ่ายพอดีปุ๊บ <ป>พอดีเนี่ยพอดีพอดีในช่วงแรกเนี่ยจะพอดีเป๊ะเลยคือพอดีมากที่แบบอุ้ยรู้ตัวตลอดพอดีไปสักพักหนึ่งอ่ะมันเริ่มสบายแล้วแล้วก็เผลอเพลนินเผ้าเพลินแล้วอันนั้นมนปรับปรบปับทัวไม่ทันคือพอดีเนี่ยสบายก็้ละพอดีเนี่ยฝ่ายไม่ก็ได้ดก็ให้ละก็ให้ล ะ, ละนละ้ละสละองฐานเรียว่าล้านนันทีทุนนี้ทุนนี้มขจ้าเลมากเลยว่านักปฏิบัติคนละทางทสองทางจุเพลินในฝ่ายที่สบาย การขัดประโเพลินเดาไปที่ไม่สบายเป็นตั้งแต่ที่มาทางอายุแต่ให้มาปรับให้พอดีเสมอทางสายกางปรับด้วยวิธีใดบ้างอาารบอกว่าในมักนั่นซึ่งคนจริงเราไปตีความหมายของมักในหูมันเป็นภาษาวิชาการลึกซึ้งเรื่องเดือดหมดแต่คนคิดขื้นจุดน kind of ี้แค่นั้นเองแค่รู้จัปรับให้พอดีแล้วปรับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเพลินไปทางบวกบางเดี๋ยวเพลินไปทางลบบางให้ละทั้งสองทางนี้ถ้ามาปรับอย่างนี้ทําให้ชำนาญ พอทำาำไปผู้พิจารณาตะโไปทไปปุนในใงมันจะเกิดรู้เองวันนี้เข้าใจอีกอย่างหนึ่งที่คือขอโทษที่ต้องรีเฟอร์ถึงพระอาจารย์ประโม a เพราะว่าฟังมาเยอะมากพระอาจารย์ประโม a พูดมาอยู่ตลอดว่าทำไปเถอะทำไปอีกทำดีแล้วก็ทำไปอีกเนี่ยเพิ่งเข้าใจวันนี้ว่ามันแปลว่าอะไรก็ทำทำไปคือมันก็จะถึงจุดหนึ่งมันจะรู้ขึ้นมาเองถ้าไม่ทา เธอจะรู้ได้ยังไงคื อ, อคื อ, คอมันก็มันก็เป็นประโยชนง่ายๆนะคือแออ า, าจจะโง่เองไม่เข้าใจคํานั้นหนูมินตัวปรับหนูถ้าหว่าปรับไม่ดูนะทำไปตลอดชีวิตก็ไม่ดูแล้วหนูต้องทงอําไงคะให้พอดีไงแล้วจะทราบได้ยังไงคือคือต้องฝึกไปเรื่อยๆเนี้ยไม่ถ้าปรับให้พอดีทั้งกายและใจไปจะประับทุปปเป็นใจก็จะปรับเป็ีพอปรับใจพอดีไปแล้วตรงนั้นเนี่ยจะอะไร ถ้างั้นมีคําถามค่ ะ, ะแพ่งกับรู้ตัวมันนิดเดียวจะรู้ได้ยังไงไม่กี้บอกแล้วว่าถ้ามีสติเนี่ยสติเนี่ยสามารถได้เป็นท่านวิช า, ต ส, าสติได้สมาสติใช่ไหมใช่ถ้าเป็นวิชาสติคือไปออตั้งใจมากขึ้นไปเพราะตั้งใจมากเกินไปมันจะเพ่งพอเพ่งจะเป็นวิชาสมาธิได้ใช่ไหมที่นี่ความรู้ตัวเนี่ยพอได้สติก็เป็นสมาสติคือความรู้ตัวมันจะรู้ทั้งหมด ถ้าแต่หัวจนเท้าที่จะรู้พร้อมขึ้น เ, เป็นสมาธินะแต่มันเป็นเพ่งนั้นอย่ใดอหนึ่งปั๊เนี่ยมันเป็นตัวสมาธิตัวตั้งใจแต่ว่ามันไม่รู้พร้อมเพราะฉนั้นคนี่จะไปเป็นวิชาสมาธิเลยอ๋อเข้าใจเพราะว่าตอนที่มันพอดีพอดีเนี่ยมันจะทังตัวแต่พอเริ่มหลงหรือเพลินก็เห็นแต่มือละเพราะว่า <พอ S 2> จะตั้งใจมากขึ้นเพราะว่าจะดึงกลับมาโอเคแล้ว แล้วไงคะแล้วจะปล่อยอยังไงก็คือก็ต้องทำให้ปร<ะ>ับทาให้ชำนาญก่อนแล้วทํำให้ชนานาญแล้วมันจะเป็นเ อ, องคาว่าชำนาญทางกายเนี่ยเขาเป็นภาษาจีน ท, ท่านใช้ว่ายานท่านเรว่า ย, ยาดูรู้บางเทคนิค <c oughs> แล้วพอตัวรู้ตอนั้นเกิดการมความจริงแล้วเราไม่ต้องสงสัยไม่ต้องํามอีกมันจะรู้หน้าที่ของมันเองก็คือทํำบ่อยๆคือทำบ่อยๆเด่๋ยสมมพูดว่าโยกขับรถบ่อยๆโยงสงสัยแล้มันจะขับแบบไหนต่อไป ไม่สงสารนะนะคนชอบรบไบ่อยๆมันก็จะรู้เองว่าคนจะซอ่อมคนจะทํำยังไงบางทีอาจารย์ไม่ได้สอนเลยแต่มันเกิดความชํานาญข้างในประสบการณ์ประสบการณ์อพาะฉะนมันจะเกิดประสบการณ์ได้ว่าอย่างปัญญามันจะยู่ที่เด็ต้องแก้อะไรไหมคะพรุ่งนี้ต้องทํำอะไรับนะ ทำไปเรืก็ิบสาจไปไกลน้น็อมเยรานเยอก่านันเยเอาเอ้ก็เชื่อไงคะเจวันเจ็เดือนเจปีต้องทาได้นูขอแค่เจปีเอาไปดีนไปรบสุยนานก็น่ากลัวนนๆยไปเสิฐานลูนแล้วแต่ลูานอไม่ส้มคุณปีก็มาไปเสินฐานลูกนา มแก้การกอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะาลก น, นามสมัยเพราะว่าแก้ที่ตับทการที่ชัดเจนหมดเวลาจิตมันเจอเรื่องมันรู้อะไรมันเจอเลท่ากับมันมาอยู่กับตัวูนามไม่ชัดไม่กลายเป็นเพ่งหรอคะอไม่รู้ทั่วเนี่ยรู้ตัวทัร้อมาตนั้ น, ต, น, นต้องฝึกแต่ว่ า, าก็รู้บ่อยๆไม่ต้องฝึกมันจะรู้แต่เวลาจะจับจะจะีบการทา ง, งานมันมีอยู่แล้วแต่พยายามรู้ให้ชัดชัดทั้งหมดแยกว่าประชานวิธีให้ไม่ใชัดช ในสวนรูกนานีน่นให้รู้ให้ชัดสแต่ชัดกับเพ่งต่างกั น, กนเพ่งเรียเรรู้อยู่เดียว <Okay. S 1> ทางด้านเอแต่ชัดมาทีม่มารู้ทั้งหมด น, น, นี่เขียนเลยว่าเพ่งมือหรือรู้ตัว <c oughs> ก็คือเพ่งคือพูดเองสอนตัวเองเสร็จเพ่งติค่<า>นะข อ, ขอบคุณมากค่ะ okay. ขาบาอบคุณมาก เอาพอที่เคยยีแดที่คลดเออค่อวสิโอ้สาธครับนรัสการกบุคคองสาธุนนี้ได้กินยาดีคือว่าไข่ไข่เขาหน่อยฮะยังไม่ควรนะซาเฮิรนเอายาดีให้ กินเร็วบวงงนอนถึงงดังซ้ำสมงบ่ได้ลุกไปใส่สบายคนบวงนาวนอนกับบ่มีแล้วก็สบายสบายบุเมยเท่าเดียวนี่บ <ส Hamp S 2> ุเมยแล้ว <illustrations> ก <Maple> ับบวงนอนขันเป็นสั่งเบอนี้ขันโบเมนเป็นน้ายานี่ยก็ดีอยู่ ยกมือได้สบายโบมือบหวบเป็นยังบ่งวงนอนบเป็นยังจักมได้าบ่งวงนอนจักน้อยเลยจนางฮาปนี้ก็คือสิได้ยกขนบลุกไปใสคน้อยนั่งกระบมือลุกขึ้นกรบโบมือเนาะนางซ้ำสมองลุกไปบมือเยทกหล ่ค่บไปนายาก็ดีน่มือนี้ดีไลขหน่อยคือสวซิบเซียเหี่ยขน้อยมาอยู่ไม่ไบอกว่าไงพ่อรอแล้วสแล้วพ่อรอลมพอขึ้นเพ่มใจตังมากตึงไตไก่อยู่สมอันนั่งรถอันหากสโมงอยู่เนาะขนอยขบไปนายาล่ะโดย เ่ว no ันน okay. ี้ก็นอนเว่นกันไหมเจนหนึ่งหนึ่งบ่งเคิงขน้อยนอนสามชิบนาทีไก่ไม่เหนื่อยกายแหงกันด้นอนโนเล็กวานอนไม่ได้ไม่ได้่ได้นอน จะซ่ามองหมาขน้อยนั่งหอนพุกงมอกน้อยบุ๋มเมยเลยสบายมากฮิกฮิกนอนนอนอิ่มโอ้ยจุ่มปกตินะหลวงตาหลวงตาพลปกติบุ๊ันหนีรง นลวงาพน่นไม่ถามเหรอคะเจียไม่ได้ อ, อ๋อหรอหาพ่นนี่ไม่ได้อารมณ์